แล้วก็ขอโมทนากับเราทั้งหลายนะช่วงนี้เราก็ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากันเป้าหมายนะตั้งหลักให้ถูกเจตนาในการที่จะตั้งใจศึกษาพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดานั้นเพื่ออะไรเนี่ยบางทีก็ต้องตอกย้ําวิธีคิดในการศึกษาพระธรรม เพราะการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป้าหมายหลักจริงๆนั้นเพื่อเพื่อจะขัดเกลาตัวเองใช่ไหมถามว่าเราท่านทั้งหลายที่นั่งหรือที่จะมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพิจารณาบอกว่ามีใครไหมว่าตั้งอัธยาศัยในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปขัดเกลาคนอื่นคิดอย่างงี้ไหมคิดว่า ศึกษาคำสอนพระเจ้าเพื่อจะไปขัดเกลารคนอื่นยอะากเยอมากทีนี้ก็มานั่งคิดนว่าตอนนี้เข้ามาสู่ในศาสนาของพระชินนาจ้ากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วนะนะ ปีหนึ่งนี่365วันนะใช่ไหมถามว่าอัธยาศัยในการที่เข้ามาในคำสอนของพทธเจ้าเนี่ยถ้าเราดูในชั้นของทานกุศลเนี่ยเขาทำลายโลภะใช่ไหมทานกุศลเนี่ยต้องทำลายโลภะโดยตรงศีลกุศลเนี่ยทำลายโทสะภาวนาวกุศลนี่ทำลายโมหะหลักจะเป็นอย่างนี้ ถ้าต้องการอยากจะทราบว่าทานศีลภาวนาพัฒนาหรือไม่ก็ดูกิเลสสามกองเนี้ยลดลงไหมหเหตุถูกผลจะต้องถูกใช่ไหมถ้าเกิดว่าเข้ามาในศาสนาเราก็เดินทานกันทุกวันเดินศีลกันทุกวันเดินภาวนาทุกวันแต่ราคาโทสะโมหะมันไม่ได้ลดลงเลย มันกลับกายเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาตัวมากขึ้นวิจิตมากขึ้นอันนั้นแปลว่าแปลว่าผิดทางแน่นอนไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าผิดอัธยาศัยที่ตั้งไว้ผิดเจรนาที่ตั้งไว้ผิดนะตรงนั้นท่านทั้งหลายก็ไปตรวจสอบดูแต่ละบุคคลแต่ไม่ใช่ไปตรวจดูบุคคลอื่น ไม่มีคําสอนในพระศาสนาคําไหนที่ไหนเลยที่บอกไว้บอกว่าจงศึกษาพระธรรมคําสอนเพื่อไปขัดเกลาคนอื่นไม่มีถ้างั้นท่านคิดผิดแล้วผิดตั้งแต่เจตนาที่บอกว่าเราจะศึกษาคําสอนเพื่อจะไปดูคนอื่นเนี่ยผิดแล้วก็ตั้งหลักให้ถูกเสียตั้งหลักให้ถูก แล้วก็ต้องตรวจสอบตัวเองเป็นด้วยนะว่าตอนนี้ตอนเนี้ยสภาพของโลภะธรรมใช่ไหมสภาพของโลภะจิตโทสะจิตและโมหะจิตเนี่ยสภาพของโลภะโทสะโมหะเนี่ยถูกทําลายไปด้วยทานที่เราเดินศีลที่เราเดินภาวนาที่เราเดินไปมากน้อยเพียงไรใครที่สามารถเดินทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาท่านผู้นั้นก็ชื่อว่า เป็นบุคคลที่สามารถเดินได้ดีแล้วก็ทำลายโลภะเป็นระยะโทสะโมหะเป็นระยะระยะแต่เป็นการทำลายโดยแตาทางกับปัญหานั่นแหละแต่แต่ทางับปัหานี่แหละเมื่อโลภะโทสะโมหะถูกเราจำกัดขอบขีดหรือไม่สามารถให้เขามีอิทธิพลทางด้านกระแสของจิตใจได้เมื่อไรแล้วใช่ไหมอย่าลืมนะคนที่มีราคาโทสะโมหะหนาแน่นจักไม่รู้ตนเองนะ จะไม่รู้ตนเองนะจกโยนความผิดเข้าหาบุคคลอื่นหมดนะนะกลุ่มที่มีโลภะโทสะโมหะนาเนี่ยจริงไหมจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นจะโยนไปถึงบุคคลอื่นหมดฉะนั้นสิ่งต่างๆเหลตานี้ต้องมองให้เห็นว่าถ้าเราจะเดินทานศีลและภาวนาเนี่ยก็ต้องดูให้ชัดว่าหนึ่งการเตรียมตัวในกรณีการที่เราจะเดินทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเนี่ย ต้องรู้ลักษณะของทานลักษณะของศีลลักษณะของภาวนาให้ชัดต้องรู้กิจหรือการงานหน้าที่ของทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลให้ชัดต้องรู้ผลหรืออาการปรากฏของทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้ชัดแล้วก็ต้องรู้เหตุใกล้ของทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลให้ชัดถ้าอย่างนั้นที่เราเดินเจตนาทานเจตนาศีลหรือว่าที่จะเป็นปัจจัยแก่การเดินภาวน า, า, า, า, า, น า, วนาทั้งสมถาภาวนาและ วิปัสนาภาวนานั้นเป้าหมายเพื่อขจัดตราคะโทสะโมหะทานนั้นกําจัดโลภะศีลนั้นกําจัดโทสะแล้วก็ภาวนากุศลกําจัดโมหะคือความมืดบอดของจิตฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้นั้นคือเป้าหมายเราสามารถที่จะตรวจสอบตัวเราเองแต่และท่านว่าเมื่อทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเนี่ยสามารถประชุมกันได้ในกุศลจิตแล้วก็ทํากิจในการที่จะเดินอย่างต่อเนื่อง เดินได้อย่างบ่อยๆและอย่างยาวไกลในที่สุดจริงๆสภาพของราคะโทสะและโมหะก็จกไม่ค่อยได้โอกาสไม่ค่อยได้โอกาสในการที่มาแสดงบทบาทในจิตของแต่ละบุคคลและออกมาทางกายและทางวาจาเป็นต้นด้วยตรงนั้นเราท่านทั้งหลายต้องศึกษาพระธรรมคาสอนเน้นการขัดเกลจริงๆเราที่เป็นคารวะที่ต้องมีชีวิตอยู่ในการครองเรือนทั้งหลายเนี่ย การเดินทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนั้นน่ะต้องเดินอย่างต่อเนื่องและต้องเข้าใจเป้าหมายวัตถุประสงค์คําสอนให้ชัดเพราะว่าเมื่อทานในกุศลนั้นแข็งแรงศีลกุศลแข็งแรงและภาวนากุศลแข็งแรงเนี่ยราคาโทสะโมหะก็จะถูกทุบถูกทําลายไปและจะไม่ค่อยได้โอกาสจะไม่ค่อยได้บทบาทในกระแสของชีวิตชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเมื่อปล่อยให้ราคาโทสะโมหะเนี่ยได้โอกาส เขาก็ออกมาเพ่นพ่านแสดงบทบาทออกมาอย่างมากมายก็ทําให้กระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นเข้าพึ่งความเจ็บปวดแล้วก็ละหกละเหินเดินทางมาอย่างยาวไกลใช่ไหมก็เพราะนี้แหละสภาพของบาปอกุศล ธ, ธรรมารามกนี่แหละที่มันไหลร า, าดลดกระแสจิตใจของสัตว์ทั้งหลายทําให้สัตว์ทั้งหลายต้องวุ่นวายแล้วก็เสือมกสนกันอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ชการสอนต่างๆเหล่านี้เป้าหมายก็คือตรงนั้นแหละ เป้าหมายก็คือเราท่านทั้งหลายก็จะได้ขัดเกลาตนเองได้มากขึ้นแล้วก็รู้จักที่จะปรับปรุงวิธีคิดต่างๆเหล่านี้ที่จะเป็นไปกับเจตนาศีลเจตนาทานเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเราดูในชั้นคําสอนถ้าสรุปอย่างนี้นะว่าทานกุศลนะมีการบริจาคเป็นลักษณะมีการสละมีการให้นะัเป็นลักษณะเมื่อทานกุศลแล้วเนี่ยเกิดขึ้นในกระแสจิตจริงๆแล้วเนี่ยนะ เกิดขึ้นจริงๆในกระแสของชีวิตได้จริงน่ยสภาพของทานกุศลนั้นก็จะทําความจะทําการทําลายความโลภจริงอยู่นะการทําลายความโลภเนี่ยเขาทําลายแบบแต่ทางก็ประหารนะในขณะที่เจตนาทานเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นที่ทําให้กุศลธรรมทั้งหลายที่เป็นไกกัฉันทาวิริยะจิตตปัญญานั่นแหละแต่เราจะขับเน้นว่าฉันทาวิริยะจิตตปัญญาที่เป็นไปกับทานกุศลที่เป็นไปกับศีลกุศลหรือภาวนากุศลระดับไหน ถ้าเอาฉันทาวิริยะจิตตปัญญาเกิดขึ้นระดับต่ำระดับกลางแล้วก็ระดับระนีตใช่ไหมมันก็อยู่ที่การพัฒนาของกระบวนการของที่จะมีความเข้าใจในการจะเดินให้ทานศีลละภาวนาเนี่ยเดินไปอย่างมีกำลังอย่างไรมันต้องขึ้นอยู่กับสภาพธรรมอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องอีกมากโดยเฉพาะก็คือชันทยะจิตตแล้วก็ปัญญาเนี่ยถ้าระดับต่ำมันก็เป็นทานศีลภาวนาระดับต่ำ ถ้าชันท้าวิริยาจิตตาปัญญามีกำลังระดับกลางก็เป็นทานศีลภาวนาระดับกลางถ้าชันท้าวิริยาจิตตาปัญญาถูกปลุกเร้าถูกกระตุ้นขึ้นมาให้มีกำลังอย่างประณีตก็กลายเป็นทานศีลและก็ภาวนาแบบประณีตจะเป็นอย่างนี้แหละบางท่านท่านก็ใช้คำว่าระดับระดับเลวระดับปันกลางระดับประณีตถึงที่ท่านก็ใช้คาอย่างนี้บางครั้งก็ใช้คาว่าระดับต่าระดับกลางระดับสูงอยู่ไห ในชั้นของทานในชั้นของศีลในชั้นของภาวนาท่านจะมีการจัดระดับตามกำลังของอิทธิบาท ต, ตามกาลังของอิทธิบาทแต่ถามว่าอิทธิบาทที่จะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าไมไ่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นคนที่ชำนาญในการเดินในการพัฒนากระแสของจิตเนี่ยนะเาท่านสามารถที่จะตั้งอัธยาศัยเนี่ยนะในที่สามารถบอกว่า เขาจะทํำยังไงให้มหากุสัญญาณสัมบยุ์อาสังคาริกเกิดขึ้นได้เขาสามารถตั้งได้ขนาดนั้นแต่ถ้าหากอย่างในระดับอย่างเราท่านทั้งหลายที่ยังศึกษาที่ยังแยกแยะลักษณะรักษาปัจจุบันปทัฒฐานยังไม่แข็งแรงก็เพีย็นเพียงว่าทําอย่างไรจะทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้นเพื่อจะทําลายอากุศลธรรมใช่ไหมสภาพ ลักษณะของกุศลลักษณะที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขให้ผลเป็นความดีงามลักษณะเช่นนี้จะปรากฏแก่ใจเราได้อย่างไรเมื่อกุศลธรรมต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะทําลายอกุศลเป็นระยะระยะนีถ้าทานอกุศลเกิดขึ้นมาก็จะทําลายโลภะศีลกุศลเกิดขึ้นมาจะทําลายโทสะภาวนากุศลเกิดขึ้นมาจักทําลายโมหะเนี่ยเขาจะทําลายอย่างนี้เห็นไหมเพราะกิจของกุศลต้องทําลายอกุศลกิจของบุญต้องทําลายบาป มีข้อหนึ่งไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยต้องคนเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าทานกุศลเนี่ยนะฮะละมัจฉริยะด้วยจ้ค่ะใช่ละมัจฉริยะเพราะฉะนั้นก็จะได้ทั้งโลภะและในหมวดของโทสะในมัจฉริยะเจ้คเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ท่านถ้าเก็บรายละเอียดถ้าขยายขึ้นมาทานอกุศลทำลายมัจฉริยะด้วย นะทำลายมัจชริยะด้วยที่พูดอย่างนี้พูดไปตามหลักก่อนแต่ยังไม่ได้ขยายรายละเอียดเพราะในหลักจริงๆท่านจะวางหลักไว้อย่างนั้นเลยท่านจะกล่าวหลักไว้เลยว่าเจตนาที่เป็นไปกระทานกุศลทำลายโลภะแต่ไม่ใช่กระเทือนเฉพาะโลภะโทสะก็ถูกทำลายมือนศีลเหมือนกันไม่ใช่ทำลายเฉพาะโทสะนะโลภะโทสะโมหะก็ถูกทำลายด้วยนะแม้ภาวนากุศลเนะี่ยก็เกื้อกูลกันทั้งหมดนั่นแหละ แต่การกล่าวอย่างนี้เพื่อกล่าวให้เราได้มองเห็นหลักไว้ก่อนใช่แต่ในรายละเอียดจริงๆนั้นถ้าเจาะหาเชิงลึกจริงๆเนี่ยเราก็จะไปเห็นว่าสภาพธรรมต่างๆเหล่านี้นะที่มีการเดินกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นถ้าถามบอกว่าในโลภะในในในสภาพของกุศลจิตเกิดขึ้นไม่ใช่มีนามธรรมตัวเดียวด้วยโอ้โหในรายละเอียดเยอะเลยตรงนี้ใช่ไหมสภาพของผัสสะก็เกิดเวทนาก็เกิดสัญญาใช่ไหม ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตตาชีวิตินรีมนสิการวิตกวิจารอธิโมกวิริยาปีติชนทาละ่ะถามกลุ่มอัญญาสมานเจสิกไม่ใช่เขาไม่ทำกิจเนอะเขาก็ทำกิดแต่ถ้าถามบอกว่าใครที่ใช้วิตกวิจารณ์เป็นไปทางบาปทางอากุศลธรรมมากอย่างนั้นเขาเรียกอกุศลวิตกเนะอะอกุศลวิตกซึ่งก็เป็นธรรมที่ควรละอีกเช่นเดียวกันใช่ไม สิ่งต่างๆเหล่า น, นี้นี่คือความละเอียดอ่อนนี่คือความบางครั้งเนี่ยต้องนึกถึงคำสอนบางครั้งเอามาไม่สามารถที่จะพูดรายละเอียดเก็บได้ทั้งหมดนะแต่ให้เข้าใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ า, านั้นเป็นวิพัชวาทะต้องมีการจำแนกแจกแจงและแยกแยะอย่าถืออย่าถืออย่างเดียวเพราะไม่มีไม่สามารถจะกล่าวควบคุมได้ทั้งหมดแน่นอน แม้แต่พระบรมศา ส, สดากล่าวแต่ละครั้งเองก็กล่าวแต่บุรุษบุคคลแต่ละอัธยาศัยแต่ละการแต่ละเหตุแต่ละเวลานะถ้าเรามองไม่ดีเหมือนจะขัดกันแต่ไม่ขัดนะต้องดูตรงนั้นด้วยนี่ก็เหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยอามาไม่สามารถมีสติปัญญากําหนดเก็บรายละเอียดได้หมดเพราะอามาไม่มีอิทธิปฏิหาริยะไม่มีอาเทศนาปฏิหารไม่มีอนุสาสนีปฏิหารเลย ในตอนที่พระบรมศา ส, สดาแสดงยงม ก, กัลปฏิหารนั้นพระบรมศา ส, สดามีปฏิหารสามประการเมื่อพระองค์มีปฏิหารสามประการเวลาพระองค์แสดงอิทธิปฏิหารให้กับสัตว์ทั้งหลายนี่นะในจั ก, กรวาลทั้งหลายได้เห็นพระบรมศา ส, สดาก็ตรวจ ด, ดูกระแสใจของสัตว์ก่อนว่าจะสามารถรับอิทธิได้แค่ไหนจะไม่ทําให้สัตว์นั้นเกิดความอึดอัดขัดเคืองต่อการแสดงฤทธิ์ของพระองค์นะ แต่เป้าหมายการแสดงฤทธิ์ของพระบรมศ า, าสดานั้นเป็นการบอกอริยทรัพย์เนะือบอกทรัพย์ของความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายนั้นได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเมื่อได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วพระบรมศาสดา ก, ก็ทรงมีอาเทศนาปฏิหารตรวจ ด, ดูจิตทั้ง16ประเภทมีจิตมีราคาปราศจากราคาของสัตว์แล้วพระองค์ก็ใช้อนุสาสนีปฏิหารให้ลงสู่กระแสใจของสัตว์ให้เหมาะแก่อัธยาศัยของสัตว์นั้นๆ ฉะนั้นสัตย์จึงได้บรรลุจนหาประมาณมิได้จากการแสดงพระธรรมเทศนาของพระบรมศ า, ศาสดาซึ่งมีปฏิหารสามประการซึ่งอาตมาทำไม่ได้เลยสักอย่างฉะนั้นในข้อที่จะขาดตกบกพร่องมีมากในขณะที่อามาแสดงแต่อันไหนเป็นไปประกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าสำคัญว่าอามาเป็นผู้กล่าวให้สำคัญว่าเป็นคำสอนของพระบรมศาสดานะ แต่อันไหนซึ่งเป็นความคิดเห็นของอาตมาและซึ่งไม่ได้เข้าหลักเข้าเกณฑ์คําสอนตรงนั้นนั่นแหละจึงเป็นคําสอนของอาตมาที่คิดขึ้นเองแยกให้ออกพิจารณาให้เป็นถ้าอย่างนั้นการคิดชื่นชมก็ดีตําหนิก็ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าตําหนิบุคคลหรือตําหนิพระธรรมถ้าตําหนิพระธรรมจะไปตําหนิเวสาลัชยานของพระศ า, าสดาเข้าให้ก็ ต, ตั้งตั้งหลักให้ถูก บางคนอย่าไปเหมารวมเวลาศึกษาเวลาฟังว่าธรรมเนี่ยก็วางจิตวางอะไรให้เป็นให้ชัดเพราะว่าความเป็นปุโุชนของเราท่านทั้งหลายไม่มีใครครอบคลุมได้ทั้งหมดต้องเข้าใจตรงนั้นโดยเฉพาะจากการแสดงธรรมในยุคนี้ไม่ได้ทราบทั้งอธัธยาศัยของผู้ฟังและผู้แสดงเองก็ยังไม่ชัดเจนกับตัวเองเท่าที่ควรก็ต้องตั้งหลักให้เป็น แต่ที่มีแสดงได้มีการกล่าวมีการสนทนาพระธรรมกันได้ขนาดนี้ก็เป็นบุญยลาภไม่ใช่หาง่ายๆเลยที่เราจะมีกลุ่มของผู้ฝักใฝ่ศึกษาพระธรรมมานั่งรวมกันและศึกษาที่จะเป็นไปตามพระไตรปิฎกอัจฉริยและดีกาเพื่อจะได้เจาะเข้าใจเพื่อจะเอามาเป็นหลักปฏิบัติแล้วขัดเกลารตัวเองให้ได้ผลให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จนกว่าลมหายใจเราจะขาดไปเนี่ยชีวิตที่เหลือเนี่ยมันน้อย มันน้อยมากต่อการที่เราจะมัวอรอลีหรือรีอรีอร อ, อรอเกี่ยวกับเรื่องอื่นฉะนั้นทุกวันเวลาต่างๆที่ผ่านมาและผ่านไปต้องมีการตรวจสอบตนเองตลอดว่าเราในฐานะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาของพระชินะเ จ, จา้าของพระบรมศาสดาเนี่ยเราได้ทําอะไรที่เป็นการถวายรายงานพระบรมศาสดาในฐานะเป็นอุบาสกบาสิกาเหมือนเอามาก็ต้องถามตนเองว่าในฐานะที่เป็นพระเนี่ยนะว่า เมื่อเป็นประกาศตนเองว่าเป็นสาวกของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราได้ทําอะไรที่จะเป็นไปกับพระธรรมคําสอนและที่จะเป็นไปกับการที่จะน้อมในการถวายสการะบูชาพระศ า, าสดาอย่างแท้จริงถามว่ามีไหมในกระแสะชีวิตที่มีการหลงลืมสติเนะี่ยมีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ในขณะเดียวกันเราก็หวังอย่างยิ่งใช่ไหมเราตั้งใจไว้ตลอดว่าเราจะกลับในการที่จะตั้งเข้ามาสู่ทางเดินของกุศลให้เร็วที่สุด จะไม่แช่จิตหรือกายกรรมวิจิกรรมนกรรมตัวเองเนี่ยให้ลากยาวไปกับบาปอกุศลแลรทำมลามกเด็ดขาดถ้ามีใครมาสกิดมีใครมาเตือนมีใครมาแนะนำเนี่ยล้วก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วจะเร่งรีบขัดเกลารตัวเองนียเพราะเรามุ่งหวังสุขติเป็นไปแล้วก็มุ่งหวังการขัดเกลารแล้วเป็นไปแก่การพ้นทุกข์ถ้าใครมี ถ้ามีใครสักคนเอาพระธรรมคําสอนของพระศ า, าสดามาเตือนเราแปลว่าท่านผู้นั้นกําลังชี้ขุมทรัพย์ใช่ไหมแล้วก็ศึกษากันมาแบบนี้แต่โดยข้อเท็จจริงนั้นเน่ยเมื่อมีคนเตือนเราจริงๆเราคิดอย่างนั้นได้จริงหรือไม่ถ้าหากคิดไม่ได้แปลว่าเราคิดไม่ถูกใช่ไหมเราคิดไม่ถูกเราก็อาจจะไปคิดว่าท่านผู้นั้นเตือนผิดเวลาเตือนผิดการบ้างน่าจะเตือนเวลานั้นน่าจะเตือนเวลานี้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเรามองถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเสียหน้านะเหมือนถ้าอามาจะกล่าวพระธรรมผิดเนี่ยถ้ามีใครจะมาบอกว่าเออท่านกล่าวตรงนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องตามพระธรรมคําคสอนเนี่ยอามาจะไม่มองว่าเป็นเรื่องการเสียหน้าแต่อามาจะเป็นเรื่องการขอบคุณที่ท่านพยายามจะขัดหรือดัดให้อามานั้นเข้าตรงสู่คําสอนของพระบรมศาสดาอามาจะต้องคิดอย่างนั้นตลอดเพราะไม่ถ้าเราจะไปแสดง พระสัรย์โดยอัตตาโดยตัวตนเกินกว่าเหตุเนี่ยอันนี้เราพลาดเองใช่ไหมและอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าบางครั้งการแสดงธรรมเนี่ยให้สังเกต ด, ดูนะว่าผู้แสดงในด้วยความที่ไม่รอบรู้เนี่ยด้วยความไม่รอบรู้วิธีคิดของบุคคลอื่นเนี่ยบางครั้งบางเรื่องเอานํามาแสดงเร็วแล้วก็มากจนเกินไปเนี่ยก็เป็นเหตุทําให้ผู้ฟังเนี่ยเขาไม่ได้ปูพื้นฐานมาเลย ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นคนบางคนไม่ได้ปูพื้นฐานในชั้นทานในด้านศีลในด้านภาวนาชั้นพื้นฐานเลยแล้วก็จะกล่าวความเป็นอนัตตาความไร้ตัวตนทั้งหลายใช่ไหมละคายถ่ายถอนต่างๆเนี้ยอันนี้ก็ยิ่งเลยเลยทงกันไปอีกทั้งๆ ท, ที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องงนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ทั้งหลายแม้เราท่านทั้งหลายเราจะเห็นความที่ไม่ไม่บริบูรณ์ทางด้านของสติสัมปชัญญะของคนในยุค ปัจจุบันนี้มากขึ้นมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายก็ต้องยังสังเวคะให้เกิดขึ้นว่าเราท่านทั้งหลายยังไม่พ้นจากสภาพที่จะต้องเป็นในลักษณะอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสพงกลัวเหมือนอย่างนี้บางครั้งมาเคยเจอคนที่เขาศึกษาพระธรรมแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยมาไม่กี่วันมาก็ได้ข่าวก็โถไปสอบถามทั้งๆ ท, ท, ที่เคยแตกแตกฉานในพระธรรมคาสอนของพระศาสดา เป็นครูบาจารย์สั่งสอนมาอย่างยาวไกลแต่พอบ้านปลายชีวิตกลายเป็นผู้หลงลืมพอหลงลืมก็มีการบ่นเพ้อแล้วก็กลัวตายเนี่ยนะอันนี้จากพระที่ศึกษาพระธรรมอย่างดีพอสมควรเนี่ยนะแต่พอมาบ้านปลายชีวิตนะ่ยพอโรคลุมเล้ามันไม่ลุมเล้าแค่ปีเดียวไงเกิดโรคนั้นลุมเล้าอย่างยาวไกลสิบปียังไม่หายสิบหปีก็ยังไม่หายเข้าโลกก็ค่อยบีบบบีคั้ น, นเข้ากลายเป็นคน หลงหลืมสติถ้าถามบอกว่าอัฏฐะตรงนี้ท่านบอกอะไรเราท่านบอกบอกว่าแต่ก่อนผมก็เชี่ยวชาญคำสอนหรืออาตมาก็เชี่ยวชาญคำสอนต้องเรียนอย่างยมเรียนกันนี่แหละสืบค้นพระไตรปิฎกอัตถกถาแล้วก็ดีกานี่แหละแต่ด้วยความที่ไม่สามารถเอาชนะกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นได้แล้วในที่สุดจริงๆ เมื่อสติปัญญาหรือกําลังของตนเองถดถอยลงสภาพของราคะโทสะโมหะก็มามีอิทธิพลเมื่อวาเนะี่ยมาพูดคําว่าเหล็กพระบรมศาสดาสอนพระธรรมของแต่ละบุคคลเนี่ยพระองค์สอนค่อนข้างที่จะเป็นไปตามระบบเป็นไปตามอัธยาศัยเช่นเมื่อพระบรมศาสดาจะขัดเกลาอัธยาศัยใครนเนี่ยพระบรมศาสดาก็วางแขนไว้อย่างยาวไกลใช่ไหม เพราะว่าพระ อ, องค์เนี่ยรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันรู้ภายในภายนอกหมดเลยทีนี้เวลาพระ อ, องค์ขัดเกลารใช้ประทมเนี่ยปลูพรมในการขัดเกลาทายาสัยของสัตว์เนี่ยเป็นไปตามลาดับเริ่มจากทา น, นากถาศีลคาถาสักขคถาการมาทีนวัคถาเนขัมอา น, นิสังสักคาถาเห็นไหมพอไล่มาตามลําดับนี่แปลว่าอะไรพอเดินทานเดินศีลเห็นอานิสงส์ของทานและศีลก็มีสวรรค์รองรับ แล้วก็เริ่มชี้โทษของการเกิดได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพรมสมบัตินะั้นมีโทษอย่างไรพอหลังจากชี้โทษของสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเสร็จจนจิตของสัตว์เหล่านั้นอนะ่ะครวญและอ่อนโยนแล้วพระองค์ก็บอกเนคขำมันบอกอ น, นิสง์การเดินจิตออกจากกามทั้งๆที่อยู่ในเพศฆราวาสนะแต่พระองค์ก็แสดงเนคขำมา น, นี้สังสกถาแสดงอ น, นิสงส์แห่งการที่จะเดินจิตออกจากกามจากราคาโทสะ คือการมกรเมสุการมาสุขาริการโยโคเนธรรมจากขบววัฒนศูนย์มีอยู่สองสั์การมะนั้นเป็นวัตถุกรมการมาสุขาริการโยเป็นกิเลสกรรม h e n c ตัววัตถุการมกิเลสกรรมเนี่ยมันเป็นการมมันเป็นโทษมันเป็นโทษแล้วเราท่านทั้งหลายเหมือนกำกับแรงที่คาบเนื้ออยู่ใช่ไหมเมื่อเราอยู่ในฝูงแรงเนี่ยเมื่อเราคาบชิ้นเนื้ออยู่เนี่ยแน่นอนเหลือเกินในบรรดาแรงทั้งหลายเห็นเราคาบชิ้นเนื้ออยู่เนี่ย ก็ต้องมีการมายิ่งมาแย่งมาชิงมาจิกมาตีเพื่อจะเอาคาบแย่งเอาชิ้นเนื้อจากปากแม้ชันใดศึกชิงกามันก็เกิดขึ้นในโลกทุกใบที่เกิดขึ้นมามีสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการแย่งชิงแก่งแย่งชิงดีกันตรงนี้ก็คือโทษของการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมด้วยอนาจของกิเลสกามนี่แหละพระบรมศ า, าสดาก็ทงชี้อย่างนี้ให้จิตเกิดความอ่อนโยน ให้จิตนั้นเกิดความสะอาดเกิดความควันต่อสมควรต่อการงานแต่การที่จะฟังอริยสัจพอจบตรงนี้เบสเสร็จพระองค์ก็ปลู ด, ด้วยอริยสัจจะทำทั้งสี่คือทุกสมูทยนิรอดมาสัตเหล่านั้นก็ได้บรรลุก็แปลว่าตอนนั้นถ้ามองถึงด้านเหล็กเนี่ยมันอ่อนควรแล้วหรือวัตถุสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้เอามาโน้มจนอ่อนโยนเหมาะสมแก่การจะฟังทำ พอฟังทำเบสเสร็จพระศาสดาก็ให้ลงอริยสัต์สัตว์นั้นก็ได้บรรลุใช่ไหมแต่พวกเราเนี่ยสังเกตดูทีเราเราไม่ถึงจุดนั้นสัทีเลยทั้งศึกษาทั้งเรียนทั้งปฏิบัติกันมาเนี่ยใช่ไหมพอพอทําท่าจะได้อ่อนอ่อนยหน่อยเดี๋ยวก็ไปกลับไปแข็งอย่างเดิมอีกกลายเป็นคนแข็งด้วยทิฏฐิมานะบ้างใช่ไหมตัวนี้มันก็กลับมาครอบงำกระแสชีวิตอีกแล้วก็ครอบงำกระแสชีวิตอีกแล้วเราก็ขัดเกลาไม่จบสัทีในสังสารวัตรที่ผ่านมา ที่สุวนจริงก็ย้อนกลับมาเพื่อเป็นอย่างนี้อีกเพื่อเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วก็กลับมาอย่างนี้อีกแล้วก็เริ่มต้นเมื่อเจอพระบรมศ า, ศาสดาก็ตั้งหลักถูกเริ่มจะหันหรือหัวเรือถูกเช่นนี้หน่อยก็ไปไม่ถึงสุดสายป่านแล้วเราก็ตกลงมากันอีกในสังสารวัตรผ่านมาเราเจออย่างนี้นะว่าเราเนี่ยเจอพระเจ้าเราก็เจอลักษณะแบบ ใจเราอ่อนแอแล้วใจเราอ่อนแอพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่สามารถดึงเราได้แล้วเพราะบารมีธรรมของเราที่สั่งสมมาไม่เพียงพอต่อการจะรองรับพระธรรมรเทศนาของพระบรมศาสดาชาตินี้ชาตินี้เป็นโอกาสที่พระพุทธเจ้ายังทรงดำรงอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมเป็นต้นด้วยแล้วเราก็ได้โอกาสนั้นใช่ไหมเราจะบ่มเพาะตัวเราเองอย่างไรที่จะขัดเกาวัตยาศัยที่จะทําให้ไม่ต้องมาทําแล้วแล้วเล่าอีก หรือหรือตั้งตั้งอัธยาศัยมันให้ตรงกันเสทีถ้ามันไม่ตรงมันก็กลับอีกไม่ตรงมันก็กลับอีกก็คือว่าถ้าถ้ายิ่งไม่ตรงนะ่ะโอกาสที่มันจะออกนอกทางมันจะไปใหญ่นะมันจะยิ่งไปใหญ่แล้วทีนี้ขณะอยู่ในทางนี่นะมีพระธรรมของพระบรมศาสดาคอยขัดคอยกลาวคอยมีสิ่งแวดล้อมถ้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่คนคอยตําหนิเรานี่นะมันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะ คนนั้นก็คอยถาคอยถางคอยตําหนิคอยติ้งเราให้เข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องแต่คอยเป็นบัณฑิตนะให้เป็นบัณฑิตนะคอยตกแต่งเรานะอย่าให้คนพานตกแต่งเราถ้าคนพาลเนี่ยตบแต่งเราจะตบแต่งเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เหมือนคนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยให้ให้มาปั้นดินเหนียวเนี่ยเพื่อจะมาปั้นดินเหนียวให้เป็นรูปให้มันเป็นรูปที่งดงามทั้งหลายจะปั้นเป็นยักษ์เป็นมารไปใช่ัหมนี่ก็เหมือนกันเราอาศัยอยู่ในแวดล้อมของบัณฑิตหรือผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้ ท่านจะตกแต่งเราแต่การตกแต่งเนี่ยบางทีก็เจ็บปวดเนียการตกแต่งให้สังเกตดูนะในวิตาการสันฐานสูตรเนี่ยเวลาที่ครูบาอาจารย์จะตกแต่งลูกศิษย์เนี่ยโอ้ลูกศิษย์ต้องเจ็บปวดแต่นี้เราไม่เคยเจออาจารย์ที่เป็นบัณฑิตจริงๆตกแต่งให้อย่างนั้นสัทีจะมาแล้วเราก็ไม่เคยน้อมใจเชื่อเป็นไปเจอบัณฑิตแล้วบางในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะเราอาจจะเคยเจอได้ทราบไปแต่เราไม่เชื่อท่านว่าท่านเป็นบัณฑิต เช่นเจอพระเจ้าเนี่ยเจอพระธรรมของพระเจ้าเจอสาวกพระเจ้าในสังสารวัตรที่ผ่านมาแต่เราไม่เชื่อท่านจริงๆพราะไม่เชื่อเราก็ไม่น้อมที่จะไปหาท่านใช่ไหมเพราะเราไม่ศรัทธาที่ท่านไม่น้อมไปหาท่านท่านก็ไม่ได้ตกแต่งเราพอเราไปละเราไปละเว้นท่านเนี่ยท่านก็ละเว้นเราใช่ไหมคนดีต้องไม่ละเว้นพระพุทธเจ้านี่เราในสังสารวัตรที่ผ่านมาเราไปละเว้นก็เกิดความเจ็บปวดมาในสังสารวัตร นี่ก็ตั้งอัธยาศาัยต่อไปเราจะไม่ละเว้นภาษาสดาแล้วใช่ไหมไม่ละเว้นแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่ละเว้นภาษาสดาคําว่าไม่ละเว้นภาษาสดานี่แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าจะมีภาษาสดาอยู่ในใจตลอดเนี่ยเช่นเวลาจะทําจะพูดจะคิดเนี่ยภาษาสดาต้องคอยเตือนเราได้ตลอดนะอย่าลืมนะการศึกษาพระธรรมมันแค่แวบเดียวมันก็จบเลยนะกิจกรรมการเรียนพระธรรมใช่ไหมหรือการสนทนาธรรมซึ่งกันและกนันในบรรดาหมู่ สมาชิกทั้งหลายที่มาศึกษาพระธรรมตรงนี้เป็นจุดหนึ่งเท่านั้นนะที่ยอมกิ่งการจัดเป็นรูปแบบให้การปังธรรมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะใช่ไหมกระบวนชีวิตจริงๆเนะี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่เรามาศึกษามันเหมือนว่าเราเดินมาเก็บข้อมูลแต่เมื่อได้ข้อมูลได้แผนที่แล้วเราจะกลับไปเดินถูกหมเออม่ได้แผนที่ได้ข้อมูลแล้วจะกลับไปเดินถูกหมไม่ใช่ว่าเอาชีวิตฝากไว้ตรงนี้ทั้งหมดซึ่งมันก็ไม่ได้อีก มันแค่เวลาแวบเดียวเองและที่เขาบอกว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็ไม่รู้จะยืนยาวไปได้แค่ไหนอย่างไรเราก็ไม่ทราบใช่ไหมเพราะความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเสร็จหมดมันต้องอาศัยปัจจัยทั้งเยอะแยะไม่ใช่อาศัยปัจจัยเดียวนะจะมีการฟังธรรมได้ไม่ใช่ว่าแค่มีทรัพย์ไม่ใช่แค่ว่ามีบุคคลใช่ไหม ไม่ใช่แค่นั้นนะมันจังต้ององาศัยปัจจัยแวดล้อมอีกเยอะแยะมากที่จะสามารถถ้าถามบอกว่าบางคนเนี่ยมีทรัพย์มีมีคนแสดงธรรมมีแรงต่างแต่ไม่มีใครเชื่อถือเขาก็ไม่มาอีกนะเอาเยอะแย ะ, แยะหมดใช่ไหมเราจะเห็นสถานที่รุ่งว่างเปล่าไปเต็มไปหมดแล้สิและอย่างหนึ่งบางทีบุคคลต่างๆเหล่าเนี้ที่ที่ที่จัดไว้เนนะี่ยบางแห่งไปเอา มีการแนะนาในสิ่งที่ไม่ถูกก็เยอะอีกตัวเนี้ยเราจะแยกยังไงใช่ไหในยุคนี้ในสมัยนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยและชีวิตของเราก็เป็นไปอย่างเนี้ยก็อยู่ที่ว่ากระสรแสอะไรจะแนะนาก็ตามตามตามตามตา ม, ตามกันไปและบางครั้งมันก็ไม่ใช่ถูกเสมอไปใช่ไหมแม้แต่ที่อามากล่าวเนี่ยบางครั้งบางคำก็ยังมีคำผิดหลุดมาได้เลยม้ทุกคนจะเป็นแบบนี้เอาสิบางครั้งแล้วเราจะแยกได้ไหมใช่ไหม เพราะในขณะที่กล่าวเป็นไปกับคำสอนความจำยังไม่เลอะเลือนความเข้าใจชัดเจนต่างๆก็ถูกต้องอย่มั้ยเราจะลืมนะว่าทุกๆคำนะั้นจะมีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าจริงๆก็คือว่าไม่ใช่พูดให้เราแวงคำสอนไม่ใช่พูดให้แหวนาจารบอก คำที่ท่านอาจารย์บัญญายท่านอาจารย์กล่าวคํหนึ่งนะเจ้าคะว่าการที่ท่านอาจารย์มาแสดงธรรมถือว่าเป็นการศึกษาร่วมกันด้วยนะเจ้าคะในส่วน น, นั้น น, นะฮะซึ่งโยมก็เห็นประโยชน์ที่ท่านอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ที่กล่าวตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการช่วยกัน ร, รักษาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวว่า เป็นวิภชวนาทีการแสดงธรรมของพระพุทธองค์ะนะฮะพอมีผู้ที่เรียนที่ศึกษาที่มีข้อสงสัยข้ออะไรต่างๆเนี่ยเดีว่ามันก็เป็นเหตุแห่งการทําให้การฟังธรรมสมบูรณ์ขึ้นประการที่1อีกประการหนึ่งการที่ว่าเราเป็นผู้ศึกษาผู้ต่างๆที่ยังเป็นปุถุชนอยู่นะฮะไม่มีใครสามารถครอบคล <c oughs> ุมพระธรรมคำสอนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ทั้งร้อยหมดเพราะงั้การศึกษาร่วมกันเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ที่ มาฟังธรรมเนี่ยในห้องนี้อาจะสิบกว่าคนหรือในพอสรอร้กว่าคนก็ตามเนี่ยคำถามต่างๆหรือสิ่งต่างๆโยมว่าก็เป็นการทําให้ผู้ที่ได้มาฟังธรรมนะคะแล้วก็ทั้งครูบาอาจารย์เนี่ยเกิดความสมบูรณ์ของการแสดงธรรมเจ้าค่ะโยมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเจ้าค่ะท่านสาธุสาธุก็ก็นั่นแหละกรณีการสอบถามเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าจะได้เป็นการแก้ข้อข้องใจหรือว่าที่ เพราะว่าความสงสัยมันมีสงสัยสองประการก็เรียกวิจิการิยานิวร์กับวิจิการิชาพฏิีลูกนำมาปราถนาเราทั้งหลายเดินวิจิการิชาพอดีลูกก็คือวิจิกิจิชาที่สงสัยในข้อคําสอนเพื่อจะได้น้อมนํามาปฏิบัติแต่ไม่ไม่ใช่สงสัยที่เป็นวิจิกิจิานิวรที่จะเป็นปจัจจัยในการขวางกัน้นการปฏิบัติวิจิกิจิานิวรนี่เป็นธรรมที่ควรละเป็นธรรมที่ควรละใช่ไหม แต่ถ้าวิจิกิจฉายอย่างยกตัวอย่างเช่นวิจิกิจฉาใ้ความสงสัยในข้อข้อธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเราจะได้เข้าใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปวิจิกิจฉายอย่างนี้เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้แต่ก็ปรารถนาให้เราเดินจิตที่เป็นกุศลในการสอบถามซึ่งกันและกันเพราะในขณะที่บางครั้งยกตัวอย่างเช่นเอามาบางครั้งเนี่ยนเะอามาฟังบางครั้งอุ้ยใช่ไม่ได้เนี่ยสมมุตินี่นะเอามาฟังเนี่ยแต่มาเป็นอกุศลนะ่ยเอามาจะเป็นบ่อย ยังเคยคุยกับพระอยู่เรื่อยเลยว่านี่พระองค์นี้เทศ น, นี้ได้ยังไงเอาอะไรแต่เนี้ยนั่งนั่งเข้านะ่งเขาก็เป็นอกุศลทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เป็นวิจิกิจฉาที่ไม่เป็นนิวรนนั่นแหละแต่เพราะเราเดินจิตที่เป็นอกุศลอันนี้ก็ละเสียแล้วก็ให้สงสัยที่เป็นใบอ ก, กุศลเพื่อความสมบูรณ์เห็นวธรรมคํ ำ, ำสอนนะสมมุติว่าบางคนเนี่ยยกตัวอย่างยอมกิ่งกาเนี่ยเธออาจจะเข้าใจยังไม่บางคําแต่ปรารถนาให้คนคนที่อยู่ในห้องเนี้เพื่อจะได้ เข้าใจให้ควบคุมและให้กว้างขึ้นเธอก็ถามเลยแต่ไม่ใช่เป็นความสงสัยที่เธอสงสัยเองแต่ก็ตั้งหลักใช่ไหมในกรณีถามเอ๊ท่านอาจารย์การกล่าวอย่างนี้ยังไม่ค่อยจะควบคุมนืเนี่ยถ้าตรงนี้จะเป็นยังไงเนะี่ยใช่หมหนึ่งคนฟังก็ได้ได้ฉุกคิดสองผู้พูดอยู่ก็ได้ได้มีมุมมองมากขึ้นว่าเออมุมนี้น่าจะมีการบันทึกไว้หรือกล่าวกันไว้อันนี้ก็เป็นการเพิ่มเติมเนะีเป็นการเพิ่มเติม ควบคมค่บะบางทีประเด็นในการบรรยายทั่วไปเนี่ยบางทีความพาไปมันบางทีมันไม่คราวนี้อาจจะไม่ได้กล่าวขาวอื่นอาจจะได้กล่าวไงจ้ะคะเพราะฉะนั้นคืออย่างเรื่องที่เพี่อย่างโยบพู้เป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าครูอาจารย์เข้าใจโดยชัดเจนอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ย ก็บางครั้งก็กล่าวบางครั้งก็ไม่ได้กล่าวตอนนี้เวลาถามเพื่อเพื่อให้ให้เกิดความสมบูรณ์นะคะเหมือนกับที่โยมชอบมากเลยเหตุแห่งการฟังธรรมการแสดงธรรมเป็นเหตุให้คลายความสงสัยสิ่งที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจมากขึ้นโยมถึงชอบคําว่าการที่ว่าเหมือนกับการแสดงธรรม้ามาเป็นการศึกษาร่วมกันเนี่ยโยมเห็นประเด็นประโยชน์ตรงนี้ที่ทําให้ข้อธรรมที่ผู้ผู้ฟังได้รับความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะโยเห็นประโยชน์ตรงตรงนี้แบ เพิ่มขึ้นทำให้เรากระจ่างแจ้งชัดเจนมากขึ้นเนเพราะเห็นอันนี้สงองการฟังธรรม น, นีได้ฟังสิ่งที่ไม่ยังไม่เคยฟังทาสิ่งที่ฟังแล้วให้ชัดเจนขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสใช่ประเด็นข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญจิตของผู้ฟังต้องผ่องใสฟังแล้วง่วงนี่ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ฟังแล้วคือฟังธรรมจิตต้องผ่องใสใช่ไม แล้วฟังแล้วหงุดหงิดฟุ้งซ่านได้ไหมอันนี้แปลว่าประโยชน์การฟังผิดต่เงี้ยมันเท่าความสงสัยด้วย การฟังเยอะๆทําให้รู้ชัดตรงตัวนี้มากขึ้นบางครั้งเนี่ยถ้าเรียนน่ยผิวเผินบางครั้งเราคิดว่ากุศลแท้จริงอกุศลเพราะคำว่ารู้ชัดเนี่ยอันที่สําคัญมากเรู้ชัดสภาพท่าอกุศลรู้ชัดกุศลเนี่ยเพราะการได้ยินได้ฟังบ่อยๆที่เราจะได้รู้ว่าสิ่งที่กําลังเกิดในขณะที่เราตั้งคําถามหรือในขณะใดอยู่เนี่ยให้ดูจิตตัวเองให้แน่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศลนี้ได้เป็นอกุศลเนี่ยแค่กนแล้วก็ ทำใหใม่จะมาทานใหม่จะได้เพราะว่าการฟังทุกครั้งเนี่ยตรงนี้สําคัญมากเลยนะเนี่ยย้ำนิดหนึ่งฟังนะ่ยสังเกตจิตของตอนเองให้ได้ด้วยนะว่าเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าสังเกตไม่ได้เนี่พลาดเลยนะแล้วถ้า ส, สังเกตไม่ได้ก็อย่าเพิ่งทุกใจก็สังเกตไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆว่าสภาพจิตที่เป็นกุศลนั้นต้องเป็นความสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วใจสะอาดเนะี่ยอาการปรากฏและผลปรากฏของกุศลเป็นอย่างนั้น เพราะว่าลักษณะของกุศลต้องให้ผลที่ไม่ไม่มีโทษใช่ไหมให้ผลเป็นความสุขเนี่ยกิจของกุศลต้องทําลายอากุศลเป็นระยะระยะทําลายบาปเป็นระยะระยะอาการหรือรู้ชัดของเขาต้องไปรู้ชัดตัวผลที่ปรากฏนั่นแหละผลที่ปรากฏในใจเกิดขึ้นในขณะนั้นว่าสภาพใจที่สะอาดใจสะอาดก็คือใจที่ไม่โสโครกด้วยราคาโทสาโมหะเนี่ยมันก็ต้องไปรู้ลักษณะของกุศลอย่างนี้แหละแล้วถามว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ตัวโยนิโสมนัิการโยนิโสมนสักนมนิการได้รับปัจจัยจากการฟังพระสัจธรรม เนี่ยตอนนี้เอาโอกาสนี้พร้อมแล้วเขาเจริญกุศลกันวาระนี้เนี่ยที่พูดตรงเนี้ชัดเลยวาระแห่งการเจริญกุศลเขาเขาเจริญกันช่วงฟังพระธรรมแต่บางคนไปตั้งหลักเออเรารู้ไว้เดี๋ยวจะได้ไปปฏิบัติเนี่ยอันนี้มันผิดอย่างเงี้ยเขาให้รู้ชัดตอนขนาดฟังเนี่ยเราจะได้เห็นว่าการฟังธรรมเขาบรรลุกันได้เพราะเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแต่อย่างเรานั้นอาจจะฟังแล้วเป้าหมายอาจจะไม่ถึงขนาดบรรลุแต่ให้รู้ชัดว่าเป็นกุศลหรืออกุศล เพราะเราต้องการมาเดินกุศลจิตเพราะอทยาสัยที่เกิดการฟังธรรมแล้วเกิดความรู้ชัดกุศลในกุศลอย่างที่บอกว่าได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังทำสิ่งที่เคยฟังแล้วนั้นให้ให้เข้าใจชัดขึ้นใช่ไหมบรรเทาความสงสยัยจิตของผู้ผู้ฟังย่อมผ่องใสคำว่าผ่องใสในที่นั้นน่ะใจสะอาดนั่นแหละใจสะอาดนั่นเอง ใจสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดคําว่าใจสะอาดนี่ก็คือไม่มีราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิขิขาหินิการนอตปาและอุทธจารนมากุ้มรุมเพราะปกติสัตว์โลกทั้งหลายจะมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นในกุ่มรุมตลอดเหมือนจอกแหนอยู่ในน้ำใช่ไหมนานๆเราก็มาฟังวธรรมกันสักทีเนี่ยก็เหมือนกับโยนหินลงในน้ําให้จอกแหนมันกระจายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอหยุดโยนเมื่อไหร่มันก็กลับมามืดอีกมาติดอีกอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าหากไม่เคยโยนเลยมันจะเกาะกันแน่นเลยนะโยนไม่เข้าเลยนะก้อนหินโยนไปกค็ค้างอยู่ข้างบนเลยนะเพราะเราไม่ได้โยนบ่อยๆใช่ไหมแต่เราโยนจนชํานาญแล้วเนี่ยพอยน์เบเสร็จบางทีโยนไม่มากเท่าไหร่ก็กระจายได้มากเพราะคนเขาฟังทำเป็นนิดสจิตก็จะเกิดความเลื่อมสายเกิดความผ่องใสเป็นต้นได้ฉะนั้นถ้าหากเราตั้งหลักอย่างนี้ถูกพูดตรงนี้ทาให้เห็นชัดเห็นอานิสงส์ของการฟังธรำแล้วเห็นสภาพอุสรธรรมที่เกิดขึ้น แล้วจะได้เห็นคําว่าโยนิโสมเมสิกาเนี่ยสำคัญมากในกรณีการฟังธรรมเขาจึงบอกตั้งใจฟังไงเงียโสดสดับตั้งจิตรับรู้นี่แหละตรงนี้สําคัญที่สุดแล้วก็ต้องน้อมจิตใจฟังให้เสมือเหมือนว่าอยู่ต่อหน้าพระพักพระบรมศาสดาเลยบางคนก็ตั้งได้ขนาดนั้นยตั้งได้ขนาดนั้นเลยถามว่าถ้าเราตั้งไม่ได้ขนาดนั้นใจมันหยาบใจมันกระด้างไงเพราะใจมันหยาบใจกระด้างแล้วใจมีทิ่ถิมันหน้าเข้าอีก อย่างนี้ก็เลยพระธรรมก็แทรกซึมเข้าสู่จิตใจไม่ได้เมื่อแทรกซึมไม่ได้ก็ถามว่าจะให้จะจะเอาพระธรรมยังไงสอนก็สอนไม่ได้แล้วตัเนี้ก็กลายเป็นคนที่มีทิฏฐิ ม, มานะอดอวดเลยถือดีไป <c oughs> เรียนพระธรรมอ่านพระธรรมก็อ่านไป <c oughs> สิเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจเอากุศลเรียนธรรมะได้ <c oughs> ไม่ใช่จะเรียนไม่ได้ <c oughs> ตรงนี้คือเป้าหมายในการ ศึกษาคําสอนของพระผู้มีภาคเจ้าถ้าเราสังเกตอย่างนี้นะในกลุ่มที่เอาคนที่ไม่ค่อยศึกษาพระธรรมเหมือนเราเราท่านทังหลายเนี่ยเออแต่เขาที่มีความเชื่อเนี่ยเอามาเคยแอบไปนั่งฟังบ่อยอครั้งนะทั้งๆ้งที่ธรรมะเขา ก, ก็พูดกันสเปะสป่าอนะไรเนี่ยแต่ก็ฟังกันทั้งคืนเอามาไปนั่งอยู่เขาทั้งคืนนะอยากจะดูเหมือนกันว่าทําไมเขาฟังได้ขนาดนั้นแต่ก็ฟังด้วยความนอบนะ้อมทำไมเขาทำได้แล้วก็จุดดีของเขามาพัฒนาเราใช่ไหม เออมาพัฒนาเราเสียเพราะเรามีข้อมูลแห่งการรอบรู้พระธรรมอยู่แล้วแล้วเราก็มีพระไตรปิฎกมีคำสอนของพระบรมศ า, ศาสดาเป็นจุดวัดตรวจสอบพิจารณาอยู่แล้วมันขาดอะไรตรงนี้อ๋อเราก็จะเห็นเลยเราจะเราจะมองว่าเขาทำไม่ใช่เสียทั้งหมดอย่างน้อยกายกรรมวิีกรรมเ ข, เขาก็เขาก็เคารพอ่ะแต่ทาไมในกลุ่มพวกเราจะโดนตาหนิกันเยอะ ในสายตาของคนอื่นว่าผู้ศึกษาว่าทมแข็งกระด้างเออตรงนี้เราก็แก้ไขสิใช่ไหมไม่เห็นยากเลยแล้วก็แก้ไขเสียอย่างให้กา ย, ยากายกรรมวจีกรรมออกมาแบบมันประเภทที่เกินเกินกันไปนี่นเราถือว่าจิตเป็นใหญ่จใช่ไหมจารีตศีลเราดีไหมตัวนี้สำคัญมากเพื่อจะพัฒนาสู่วาริตศีลใช่ไหม ถ้าจารีศีนดีเนี่ยจะพัฒนาสู่วารีวารีศีลอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกายวาจาที่อ่อนน้อมเนะจยกายวาจาที่อ่อนน้อมมาจากคําว่าจารีศีนมาจากวารีศีลแต่ว่าจริงๆเมื่อเรามีจารีศีนมีวารีศีนเปียเสร็จแล้วจะได้เป็นที่ตั้งของสมถาวิปสนาได้ใช่ไหมแต่นี้สมถาวิปสนาก็ไม่ค่อยตั้งเอาพวกเราเลยเดี๋ยนี้ตั้งไม่ได้เลยเพราะจารีศีนเขไม่ ก็แข็งมากเลยบางทีก็แข็งจน<อ>ว่าขณะนี้กลุ่มเรากำลังเรียนอะไรกันจะบอกเรีสติปัฏฐานเขาก็เลยถามว่าแล้วที่เรียนเนี่ยสติปัฏฐานมันอยู่ตรงไหนเพราะ <c oughs> ว่ามีคนถามจยมใช่ไหมก็จริงจริงจริงพอพูดถึงในด้านของสติปัฏฐานเนี่ย มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่จะกว้างมากใช่ไหมที่จริงจารานุสติก็ประชุมลงในสติปัฏฐานศีลานุสติก็ประชุมลงในสติปัฏฐา น, ใ, นใช่ไหมพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นนี้ก็ประชุมลงในสติปัฏฐานแต่พราะเขาไม่รู้หรอกว่าเรากําลังคุยเรื่องสติปัฏฐานกันอยู่<อ>นะนั่นแหละพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าตอนนี้เวลาถ้าเราไปกล่าวในชั้นในชั้นตรงที่ว่าจิตเลยทีเดียวเนี่ย บางครั้งกลัวเราจะลืมเบื้องต้นกันก็เลยว่ายึดโยงลงมายึดโยงลงมาหเห็นว่าตอนนี้เรากำลังจะเอาจากคานุสติสีลานุสติเป็นเต้นเหล่านี้เอามาเดินหรือเอาพุทธานุสติเนี่ยมาเดิน